ประวัติหลวงปู่พรมจิระปุญโยวัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีชีวรประวัติของพระอาจารย์พรมจิระปุญโยอดีตเจ้าโอวาสวัดประสิทธิธรรมพระอาจารย์พรมจิระปุญโยเป็นศิษผู้ได้เคยสจดับฟังโอวาทและติดตามท่านอาจารย์มั่นภูริทัตตาหมหาเถระ หมารูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในสตดงควัตและประกอบด้วยคุณสมบัติในสมณคุณเป็นอันมากมีศิทยานุสิทธิ์และผู้ใกล้ในธรรมปฏิบัติเคารพนับถือในท่านเป็นจำนวนไม่น้อยมีชีวประวัติควรเป็นทิ่ฐานลุคติแก่พุทธศาสนิกชนได้รูปหนึ่งดังจะเล่าต่อไปนี้ชาติภูมิดวงปู่พรมชีรปุญโญ ท่านมีนามเดิมว่าพรหมสุภาพงศ์ท่านได้ถือกำเนิดมาเป็นบุตรคนหัวปีของนายจันทร์สุภาพงศ์และนางวันดีสุภาพงศ์เกิดเมื่อวันอังคารพุทธศักราช2431ปีขานณบ้านตาลตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครบิดาและมารดา ข, ของท่านเป็นชาวนา ชาวไร่มาตั้งแต่ดั้งเดิมสมัยแต่บรรพบุรุษตระกูลนี้นับถือพระพุทธศาสนาเป็นชีวิตจิตใจมาหลายชั่วคนแล้วหลวงปู่พรมท่านมีน้องๆที่สืบสายใหญ่สายเลือดทางโลกอีกสามคนโดยลำดับได้แดงต่อไปนี้คือ 1. หนึ่งหลวงปู่พรมจิระปุญโญ 2. นายพิมพาชุภาพงศ์ต่อมาได้ออกบวชเป็นบรรณชิต จนตลอดชีวิต 3. นางคำแสนสุภาภงค์ u นางตื้อสุภาคงต่อมาได้อุทิศชีวิตบวชเป็นชีได้เจริญอยู่ในธรรมะตลอดชีวิตเช่นเดียวกันนับตั้งแต่วัยเยาว์ท่านได้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางท้องทุ่งนาป่าดงท่านก็ได้แต่อาสัยความรู้ความเห็นของชีวิตชนบทเท่านั้นเป็นครูสอนโดยถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิต ครั้นเติบโตขึ้นมาเป็นหนุ่มท่านก็ยังคงมีความสงสัยมีความครุ่นคิดอยู่ว่าคนเราเกิดมาแล้วนี้จะแสวงหาความสุขที่แท้จริงได้อย่างไรอะไรคือความสุขความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนชีวิตในการครองเรือนตั้งแต่บรรลุนิพพาะมาก็ได้กล่าวอยู่เสมอเสมอว่าความสุขอยู่ที่ไหนโดยไม่มีครูบาอาจารย์มาแนแนวความคิดเช่นนั้น เพียงแต่คนคิดอยู่คนเดียวเมื่ออายุย่างเข้า20ปีมีความคิดในด้านนี้รุนแรงขึ้นว่าเมื่อมีครอบครัวแล้วจะมีความจุขเมื่อคิดตกลงดังนี้จึงที่แจ้งความจำงต่อบิดามารดาตลอดถึงญาติผู้ใหญ่ในสกุลให้ทราบว่าอยากมีครอบครัวตามประเพณีของโลกเมื่อบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ได้ทราบแล้วก็ไม่ได้มีความขัดข้องจึงพร้อมกันจัดหาหญิงผู้มีสกุลสมควรให้เป็นสีภรรยา ภรรยาคนแรกชื่อกิมพาเป็นชาวบ้านดงเย็นท่านได้ย้ายภูมิลำเนาจากบ้านตานไปอยู่ที่บ้านดงเย็นกับศรีภรรยาตั้งหลักฐานอยู่ที่นั่นตลอดมาอยู่กินด้วยกันมีบุตรได้หนึ่งคนพอคลอดออกมาภรรยาและลูกก็เสียชีวิตด้วยกันได้จัดการชาปน ก, กษษิจศพภรรยาและลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่มาพอสมควรความคิดที่ว่ามีครอบครัว แล้วจะให้เกิดความสุขนั้นเป็นอันล้มละลายหายสูญไปตรงกันข้ามเป็นการเพิ่มทุกข์ให้มีแก่ตนเป็นเท่าทวีคูณเสียอีกครั้นการต่อมาความคิดที่ว่าความสุขอยู่ที่มีครอบครัวก็เกิดขึ้นอีกท่านจึงได้มีครอบครัวกับนางกองแพงเป็นครั้งที่สองได้รวมสุขทุกข์กันมาเป็นเวลาห้าปีไม่มีลูกต่อมาทางประชาชนและทางราชการเห็นดีเห็นชอบ ได้แต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านถงเย็นเพราะหลักฐานด้านความประพฤติและทรัพย์สมบัติพอเป็นที่พึ่งและตัวอย่างของประชาชนได้เป็นอย่างดีท่านได้ปกครองประชาราชโดยหลักยุติธรรมขึ้นตรงให้เป็นไปตามอำนาจอาคติสี่ประการคือฉันทาโทสาโมหาและพยาคติไม่เห็นแก่สินจ้างรางวัลและไม่เข้าคนผิด เป็นที่เคารพนับถือยำเกรงของประชาชนในทิ่นั้นมากเป็นหัวหน้าผู้ปกครองที่ดีคนหนึ่งในทางสร้างลักฐานส่วนตัวท่านเป็นคนหมั่นขยันต่อหน้าที่การงานเก็บเล็กประสมน้อยมีที่ดินปลูกบ้านที่สวนที่นาหลายแปลงได้มีโคกระบือโคเป็นร้อยร้อยตัวกระบือไม่ต่ำกว่าห้าสิบนับว่าฐานนพอกินพอใช้ ในยุคนั้นนอกจากนั้นท่านยังเป็นหัวหน้านำหมูพกขาโคกระบือไปจําหน่ายทางภาคกลางและเป็นหัวหน้าพกคาเกวียนบรรทุกหนังสัตว์และของป่าไปจําหน่ายที่จังหวัดนคนรราชสีมาขากลับก็บรรทุกของเทศไปขายทั้บ้านจนปรากฏชื่อเสียงจากประชาชนขนานา น, านามว่าในห้อยพรมผู้ที่เป็นในห้อยนายแถวในสมัยนั้น ต้องเป็นคนมีทรัพย์มีความดีมากกว่าคนอื่นเสียงนี้มาจากประชาชนไมได้ตั้งตัวเองนับว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งซึ่งคใครๆก็กระยินอยากได้ถึงจะได้ทรัพย์สมบัติบริบูรณ์และได้รับเกียรติจากประชาชนมากมายอย่างนั้นก็ตามความมิดิดครั้งแร ก, แรกว่าเมื่อมีครอบครัวมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นมาตามลาดับแต่กลับตรงกันข้าม มีแต่เจ้าทุกข์ล้อมหน้าล้อมหลังทําให้เกิดความหวาดกลัวต่อภยัยอย่างนับไปท้วนรอบด้านเพราะทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความสมหวังและผิดหวังอยู่เสมอไม่เกี่ยงแท้แน่นอนเป็นธรรมดาเมื่อมีสมบัติวิบัติก็ต้องตามมาซึ่งเป็นวิสัยของโลกอย่างนี้ผู้ไม่มีอุปนิสัยในเมื่อได้ลาบได้ยศย่อมัวเมารุ่มหลงและเพ้อเทินอยู่หารู้ว่าความวิบัติเหล่านั้น จะมาถึงตนไม่สำหรับตัวท่านในขณะนั้นถึงจะมีความรักความอาลัยในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นอยู่ก็ไม่มัวเมาถึงกับหลุ่มตัวเองอย่างครุ่นคิดที่จะสแสวงหาความสุกยิ่งขึ้นไปกว่านี้ตอนนี้คล้ายๆกับดอกบัวที่พ้นน้ำรอคอยรับแสงจากพระอาทิตย์อยู่ก็อพอดีได้กัลยะาณมิตรคือท่านอาจารย์สารมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ท่านเคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตตะมหาเถระรูปหนึ่งเที่ยวแสวงหาวิเวกเผยแผ่พระธรรมะคำสอนแก่ประชาชนมาเรื่อยๆผ่านเข้ามาถึงหมู่บ้านดงเย็นเท่านั้นท่านผู้มีอุปนิสัยเบาบางผู้เป็นอุบาสกได้ทราบข่าวก็รีบจัดแจงแต่งเครื่องจั ก, การะออกไปต้อนรับท่านอาจารย์สารซึ่งท่านพักอยู่ที่วิเวในปาใก้บ้านดงเย็นนั้นพอไปถึง ได้สวายสักการะเคารพกราบไหว้สามวิสัยของสัพพบรุษได้รับความเมตตากรุณาจากท่านเป็นอันดีเมื่อมีโอกาสก็เรียนถามท่านอาจารย์ในข้อที่ต้องสงสัยอาจอัอ้นมานานได้เล่าความจริงที่มีในใจของตนออกมาได้ท่านทราบทุกประการว่าแต่ก่อนกระผมเข้าใจว่ามีครอบครัวแล้วจึงจะมีความสุขครั้นมีครอบครัวแล้วค้นหาความสุขเช่นนั้นก็ไม่พบอีกกระผม จึงขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าความสุขนั้นอยู่ที่ตรงไหนกันแน่กระผมทำอย่างไรจรึงจะได้ประสบความสุขที่แท้จริงเช่นนั้นได้ในชีวิตท่านอาจารย์สารให้อวาดเป็นคำตอบที่ถูกต้องได้จับขั้วหัวใจของอุบาสกว่าถ้าอยากจะประสบความสุขที่ปรารถนาอยู่นั้นต้องละอารมณ์คือรักใคร่พอใจในกามคูณห้าคือความพอใจในรูปในเสียง ในกล่นในรถในสัมผัสเอ็นเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในกองทุกข์สี่ให้หมดสิ้นไปจากใจความสุขที่ปรารถนาอยู่นั้นก็จะฉายแสงออกมาให้ปรากฏเห็นตามสมควรแก่ความเพียรที่ได้ทุ่มเทลงไปในทางที่ถูกที่ชอบเมื่อท่านได้รับโอวาทแนะนำแนวทางปฏิบัติจากพระอาจารย์สารเชนั้นแล้วมีความเบาใจก็หนึ่งว่า ความสุขที่ปรารถนาอยู่แล้วนั้นจะได้ประสบอยู่ในเร็วๆนี้แต่ท่านยังมีความบรัริต่อไปว่าถ้าเรายัางกัวพันเกี่ยวข้องอยู่กับครอบครัวทรัพย์สมบัติเลือกสวนไรนามัวเมาอยู่ในความเป็นใหญ่นในการค้าขายอยู่เช่นนี้นับวันก็จะเหินห่างจากความสุขที่เราปรารถนาอยู่ตอนนี้ท่านตกลงโปร่งใจที่จะสลักครอบครัว และทรัพย์สมบัติออกบวชในพระพุทธศาสนาก่อนจะบวชท่านนบิต่อไปอีกว่าเราควรจะเอายิ่ยงอยากพระเวสสันดรตามที่เคยจะดับคะว่าพระเวสสันดร น, นั้นท่านได้สลับทานทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงลูกเมียเครือญาติออกบวชบาเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณในเบื้องหน้าในที่สุดพระองค์ ก็ได้ตัดสรู้ความจริงคืออริยะสัจธรรมทั้งสี่เป็นศัสดาค ร, ครูสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผลทั้งนี้ย่อมสำเร็จมาจากการเจตสละของพระองค์เมื่อความตกลงใจจะออกบวชและสละสมบัติบรรดาที่มีอยู่เช่นนี้แล้วก็ได้นัดประชุมประชาชนในหมู่บ้านว่าใครต้องการอะไรในวัตถุสมบัติที่มีอยู่ เช่นโคกระเบือเงินทองและเครื่องใช้ต่างๆที่มีอยู่ให้มารับเอาไปในตอนนี้ท่านมีจัดชาอันแรงกล้าจัดตั้งกองบุญยี่สิบกองเพื่อจะบวชนาคยี่สิบนาคแต่เมื่อจะบวชจริงๆปรากฏว่าได้มีนาคบวชเพียงสิบสองนาคเท่านั้นจะเป็นเพราะเหตุผลคนใดไม่ทราบเขาเงื่อนไขในเรื่องนี้ดีนัก ท่านได้สร้างวัดขึ้นหนึ่งวัดพร้อมกับทำ ร, รัววัดเพื่อทุนเจัครองท่านเป็นการเรียบร้อยในการต่อมาที่ดินในวัดนั้นได้กลายเป็นที่ดินที่ตั้งโรงเรียนประชาบาลบ้านดงเย็นปัจจุบันนี้เรียกว่าโรงเรียนบ้านดงเย็นกรมประชาสั่นต่อจากนั้นท่านก็ได้สละทานวัตถุต่างๆตลอดจนข้าวเปลือกในยุงฉางแก่คนยากคนจน ด้วย แ, แก่บุคคลที่สมควรจะให้ท่านสละอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาหลายวันยังเหลือเวทเรือนสองหลังในการต่อมาท่านได้อนุญาตให้นางกองแพงซึ่งเป็นสีภริรยาของท่านออกบวชเป็นนางชีก่อนเป็นเวลาหนึ่งปีและยังเป็นชีมีชีวิตอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เรือนสองหลังที่ยังเหลืออยู่นั้นหลังที่หนึ่งไปปลูกเป็น กุฏิที่วัดป่าบ้านป่าเป้าหลังที่สองไปปลูกเป็นกุฏิที่วัดป่าพดุงธรรมบ้านดงเย็นปัจจุบันนี้การเสียสลัดทานที่ท่านได้บำเพ็ญในกล่าวครั้งนั้นยากที่บุคคลจะทาไดเา้เช่นนั้นเช่นได้สลับทรัพย์สร้างวัดสิ้นเงินไปหนึ่งช่างสองตำลึงสองบาทเงินช่างในครั้งกรโนน คิดเทียบในปัจจุบันนี้ก็เป็นจำนวนมากพอดูเมื่อท่านได้สลระสิ่งของหมดสิ้นแล้วความอาลัยใหญ่ดีแนวถุกสิ่งของก็เบาบางลงพอจะปลิดตัวออกบรรพชาอุปสมบทในทางพระพุทธศาสนาได้แล้วท่านก็อำลาบ่งสาขนาญาติมิตหายลูกบ้านหลานเมืองออกบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่ออายุท่าน ใด37ปีณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีโดยมีท่านเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีสมัยเป็นพ ร, รัชกวีเป็นพระอุปัชฌายะท่านพระครูประสาทขนานุกิจเป็นพระกรรมวาจาจารย์ส่วนน้องชายน้องสาวและน้องเขยก็ออกบวชด้วยเป็นผู้มั่นคงในศาสนาตลอดชีวิตทุกคน มีข้อที่น่าคิดอยู่อย่างคือตอนท่านบำเพ็ญทานไม่ทานเครื่องดักษัต์และเครื่องอุปกรณ์แก่การพรมายชีวิตเช่นแหอวนเบ็ดตะกวัวซื่นดีนประสิวใด้หินปากนกสิ่งเหล่านี้คนทิ้งหมดโดยไม่ใครรู้จักที่ทิ้งด้วยนับว่าท่านดำเนินตามแบบอย่างของมิ ด, ดิตจริงๆ หน้าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งควรถือเป็นคติตัวอย่างได้เป็นอย่างดีหลวงปู่พรมท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่พวกเราพุทธบริษัททุกท่านการกระทำเช่นนี้ทำให้รึก ถ, ถึงธรรมะสี่ประการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ดังนี้หนึ่งมชริยะบุคคลที่มีความประณีตไม่ทําบุญให้ทานี่บากนั้น บรรดาให้เป็นคนยากจนขัดสนทับสมบัติทั้งปวงส อ, งอาเวยาวัจจบุคคลที่มีความไม่ช่วยไม่ขวนขวายในกิจที่ชอบคือไม่ช่วยขวนขวายในการบุญกุศลของคนอื่นและไม่เที่ยวบอกบุญชักชวนคนอื่นในการบุญและกุศลวิบากนั้นบรรดาให้เป็นคนไรญาติขาดมิตรแต่ลวงปูภพรมท่านเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญ ท่านเป็นผู้มีสติปัญญาในทางธรรมรู้แจ้งใน ห, หลักธรรมเหล่านี้ท่านจึงเลือกกุณธรรมในข้อที่สามถึงสี่ดังนี้สามริจาคะบุคคลที่มีการบริจาคทรัพสมบัติของตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นได้แก่ไม่มีความตนหนีเหนียวแน่นมีความยินดีในการทำบุญทำกุศลกรรมดีนั้นบันดาลให้เป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพ ส, สมบัติสี่ วัวยาวัจักบุคคลที่มีการช่วยขวนขวายในจิตอันชอบคือช่วยขวนขวายในการบุญการกุศลของคนอื่นให้มาร่วมบุญกุศลกรรมดีนั้นบรรดาลให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ด้วยญาติมีสหายทั้งข้าทาสบริวารก็มากมายนอกจากการกระทําภายนอกก่อนปลูกพรมเป็นที่ประจักษ์นี้แล้วส่วนภายในจิตใจของท่านยังมีการกระทํา ยังมีจิตใจที่ตั้งมั่นอย่างแน่วแน่ไม่เปลี่ยนใจคือดหนึ่งมีความเชื่อในพระธถาคกฏตั้งมั่นไม่คลอนแคลนไม่สงไัยสอมีศีลเป็นศีลที่นิยตงงามเป็นศีลที่พระอริยเจ้าพอใจสรรเสริญ 3. มีความเลื่อมใสในพระสงค์ผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงต่อคําสั่งสอนสมีความเห็นที่ทิมตรงคือ เห็นถูกต้องตามํานองครองธรรมเมื่อบุคคลทั้งปวงบัณฑิตทั้งหลายได้กระทาให้มีขึ้นแล้วท่านเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่มีโมฆะไม่เปล่าจากสาระประโยชน์เป็นสมบัติของผู้มีปัญญาธรรมโดยแท้หลวงปู่พรมไม่ได้ทำการบริจาคทานอันเป็นวัตถุข้าวของเงินทองที่มีอยู่ของท่านจนหมดสิ้นแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่รอช้า เมื่อบอกลาญาติทั้งหลายตลอดเพื่อนฝูงเพื่อนบ้านทุกคนแล้วก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางคือวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่ออุทิศตนถวายชีวิตแก่พระพุทธศาสนาปรากฏว่าได้มีน้องชายน้องสาวและน้องเขยของท่านติดตามออกบวช ด, ด้วยเช่นเดียวกันุทธจักรารสาร 2,469 ปีถเป็นปีที่ท่านอุปสมบทเมื่อนับอายุปีเกิดของท่านแล้วจะต้องเป็นปีนี้แน่นอนที่ท่านบวชอายุของท่านได้สามที่เจ็ดปีเต็มโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเชดีจูมพันธุโลสมัยนั้นมีสมณศักดิ์เป็นพระครูชิโนวาธรรมรงเป็นพระอุปชาท่านพระครูประจักรกุนานุกิจเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่ากิรักคุนโยการจาริกต่างจังหวัดเพื่อแสวงหาความวิเวกเมื่อท่านได้บรรพชาอุปสมบทแล้วจะเที่ยวไปกับท่านอ า, าจารย์ศารในเกตจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเดินทางด้วยเท้าเปล่าตลอดไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนอย่างทุกวันนี้จำพ า, ารษาที่ต่างๆสามพรรษาแล้วได้ราพระอาจารย์กลับภูมิลาเนาเดิม พักอยู่ที่วัดอดุลธรรมบ้านโรงเย็นหรือวัดในเดี๋ยวนี้ได้พร้อมกับชาวบ้านสร้างหอไตรขึ้นหนึ่งหลังเพื่อเป็นที่เก็บรักษาบรรดาหนังสือพระคัมภีต่างๆไว้ให้เป็นที่ปลอดภัยท่านอาจารย์ชมได้เล่าต่อไปให้สาสารณิตฟังว่าเมื่ออุปสมบทได้สาภาษาแล้วอิต ก, ก็หวนกลับอยากไปจู่คารวาสอีกในตอนนี้ท่านได้ต่อสู้กับมานกิเลสฝ่ายต่ำจนเต็มสติกำลังด้วยการใช้ความเพียร พยายามอดทนเต็มที่ดีการทำสมาธิภาวนาและเดินจงกรมเป็นต้นจนในที่สุดท่านก็กลับเป็นฝ่ายชนะสิทธิพระอาจารย์มันเกือบทุกองคนั้นแหละท่านเอาธรรมะเข้าต่อสู้จนออกจากภัยอันร้ายแรงได้เรื่องกิเลสมนันทับจิตใจนี้หลวงปู่พรมจิรปุญโยท่านก็เคยถูกกระแสกิเลนี้ให้กระนาอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันเรื่องนี้ ท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ทุกหาฟังอันเป็นอุบายท ร, รมาปฏิบัติว่าภายหลังจากที่ท่านได้บวชเป็ น, พ, นพระแล้วสามรรษาก็เกิดมีความรู้สึกกิเลสภายในอย่างรุนแรงคิดอยากจะสึกออกมาเป็นคารวาสทีส่ใสอีทำอย่างไรก็ไม่หายที่จะนึกคิดต้องเร่งพยายามต่อสู้ความคิดภายในนั้นมันเป็นกิเลสมารตัวร้ายสู้กันอย่างหนักอาวุธที่เข้าต่อสู้นั้นท่านได้ทสมาธิ เดินจงกรมและด้วยวิธีต่างๆนานานํามาใช้เป็นอุบายขจัดขับไล่ออกไปและด้วยความตั้งใจจริงของท่านนี้เองในที่สุดท่านสามารถเอาชนะอารมณ์จิตที่คิดจะจึกนั้นได้เพราะว่าท่านคิดอยู่เสมอว่าในชุดของท่านไม่เคยแพ้ใครท่านไม่เคยทําสิ่งใดล้มเหลวแต่ท่านจะมาแพ้ใจตนเองได้ยอย่างไรท่านก็ได้ตัดสินใจมุ่งหน้ามาถึงขนาดนี้แล้วท่านจะต้องเดินต่อไปจนถึงที่สุด แม้จะต้องฝันฝ่ากับภัยอันตรายใดๆที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ก็ตามในที่สุดท่านของปู่พรมจิรพุญโยก็สามารถดำเนินเดินตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นจุดหมายปลายทางของท่านได้สําเร็จคว้าชาัยชนะจากคู่ต่อสู้คือเิเลตมาได้หลังจากหลวงปู่พรมจิรพุญโยท่านได้รับธรรมะจากท่านพระอาจารย์ศารซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์แรกของท่านพอที่จะนําข้อวัดนั้นไปปฏิบัติแก่ตนเองบ้างแล้ว ท่านจึงได้กราบลาออกเดินทุดงสแสวงหาอิมมโอกธรรมต่อไปในการเดินทางทุดงหลวงปู่พรมเจริปุญโยท่านได้นําหลานชายคนหนึ่งชื่อบุญธาตุซึ่งอายุยังน้อยและยังไม่ได้เข้าโรงเรียนไปด้วยท่านออกทุดงจากประเทศไทยเดินบุกป่าป่าดงมุ่งไปยัง น, นครหลวงพระบางประเทศลาวการเดินทางมีความลําบากมากต้องบุกป่าป่าดงไปเรื่อยจนกว่าจะถึงหมู่บ้าน จึงจะแขวงปลดเข้าพักผ่อนเมื่อจัดที่ให้หลานชายนอนจนหลับไปแล้วท่านก็นั่งบาเพ็ญเพียรภาวนาเดินจงกรมรักษาจิตขจัดกิเลสภายในออกจะชิดได้ด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงต่อธรรมทำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์ท่านได้สละทุ่มเทลงไปเพื่อได้มาซึ่งธรรมะความเป็นจริงให้จงได้พอรุ่งเช้าก็ออกเดินตระโต่อไป โดยมีหลานชายเล็กๆเดินตามหวังท่านบุปกป่าฝ่าดงปีนภูเขาลูกแล้วลูกเล่าบางคราวก็เดินเรียบไปตามชายฝั่งของแม่น้าโขงเพราะขนทางลาบากเป็นปด้วยความแรงแค้นบางวันก็พบหมู่บ้านพอเป็นที่โคจรกินทะบาดประทังความหิวโหวยไปวันวันหนึ่งบางวันก็ไม่พบหมู่บ้านและทัยเลยอาหารการกบฉันและที่หลานชายจะกินก็ไม่มี หลานชายก็ร้องไห้เพราะทนความหิวไม่ไหวมีเพียงน้ำพอระทางความหิวโหยไปได้เท่านั้นขณนะ น, นั้นหลวงปู่พรมจิระปุโยท่านยังไม่พบกับหลวงปู่มั่นกฤัตโตพระบูรพารย์ใหญ่แห่งยุคท่านได้เล่าประสบการณ์ตอนเดินตุดงกรรมฐานสมัยรแรกๆในประเทศลาวไว้ดังนี้ว่าปฏิบัติธรรมเพื่ อ, อความดีนั้นจะต้องอดทนมีความพยายามอย่างสูงสุด จึงจะได้มาซึ่งคุณงามความดีการเดินป่าหาธรรมะต้องต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาบางวันก็ต้องหอบผิวสามภาวระทั้งหมดเช่นบาดจดการน้ำและยังต้องอุ้มหลานชายไปด้วยทางนี้เพื่อจะได้เดินทางได้เร็วทำอยู่อย่างนี้ตลอดวันแม้ว่าการเดินทุดงจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความยากตลอดทาง แต่ใจิตใจนั้นไม่เคยยอมพ่ายแพ้แจ่อุปสรรคลุงปู่พรมจิรปุญโยท่านเดินบ้างพักบ้างสัมภาระเต็มหลังและยังมีหลานชายอีกคนหนึ่งที่ท่านต้องอุ้มไว้กระปกการเดินธุดงของลุงปู่พรมจิรปุญโยได้มาสิ้นสุดลงเมื่อมาถึงจุดหมายปลายทางคือนคอรหลวงพระบางประเทศลาวจากนั้นท่านอยู่พักเหนื่อย เป็นเวลาหลายวันแต่ขณะที่อยู่พักอย่างา น, นครหลวงพระบางนั้นท่านเกิดล้มป่วยวิบากขันของท่านสร้างความเจ็บปวดทรมานจิตใจอย่างรุนแรงดังที่ท่านได้เล่าดังต่อไปนี้เมื่อไปถึงก็เกิดเจ็บป่วยด้วยโรคท้องคือกระเพาะอาหารเป็นพิษส่วนต้องเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลรักษาไปนานวันก็ไม่หายที่ต้องออกจากโรงพยาบาล ต่อมาก็ได้เข้าไปให้พระภิกษุรูปหนึ่งชื่ออาจารย์ก้งเป็นหมอพระอยู่ในละแวกนั้นรักษาแต่การเจ็บป่วยก็ไม่ดีเราลงเลยจึงคิดตัดสินใจว่าต่อไปนี้เราจะไม่รักษาด้วยยาอีกจะไม่ฉันยาขนาดใดอีกต่อไปถ้าจะเกิดล้มตายลงไปก็ถือเป็นกรรมเก่าของเราแต่ถ้าหากเราอย่างพอจะมีบุญอยู่บ้างก็คงจะหายไปเป็นปกติได้ ภายหลังจากท่านตัดสินใจแล้วท่านก็ได้ยุติการใช้ยาหรือฉันยารักษาโรคทันทีหันมาใช้วิธีรักษาด้วยธรรมโอสถท่านเจริญสมาธิฝึกจิตใจให้เข้มแข็งพิจารณาธาตุขันธ์แล้วเพ่งเพียนรักษาด้วยอารมณ์จิตใจที่เป็นสมาธิทรงกุณธรรมวชิพะหน้าบุญบารมีเป็นเครื่องหนุนนา มีวาสนาเป็นยารักษาโรคให้หายจากอาการเจ็บปวดทรมานซึ่งต่อมาท่านก็ค่อยๆหายจากอาการอาภาษและได้เดินธุดงกลับมาประเทศไทยนำหลานชายมาคืนให้พ่อแม่ของเขาต่อไปหลวงปู่พรมชิรพุญโยท่านเป็นพระภิกษุษสงฆ์ที่ไม่ชอบอยู่กับที่ท่านมีความมุ่งหมายที่จะเดินทุดงใช้ชีวิตจุดท่ามกลางป่าดงตรงไพร เเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเมื่อท่านกลับมาถึงประเทศไทยแล้วท่านก็ได้ออกเดินทุดงกรรมฐ า, านไปทางภาคเหนือแต่การออกเดินทุดงเพื่อสแสวงหาวิ ม, มกุกตะธรในคราวนี้ถ้ามีพระศาบธรรมิกร่วมเดินทาง้ด้วอองค์หนึ่งคือหลวงปู่ชอบฐานัสโมผู้เป็นทราเทลาราผู้โอโสอีกองคหนึ่งในปัจจุบันนี้หลวงปู่พรมจิรกุลโยและหลวงปู่ชอบฐานัสโม ถ้าพระจารย์ทั้งสององค์นี้ต่างก็เป็นเพชรน้ำเอกเป็นหัวแหวนอันลำคาด้วยกันไม่ได้โครจรไปในที่อันุเวกด้วยกันย่อมเป็นที่น่าสนใจแก่ประชาชนในยุคนั้นเป็นอันมากท่านได้ออกเดินทุดงผ่านปากเขาลำเนาไพรไปตลอดสายภาคเหนือแล้วเข้าเขตประเทศพมา่าด้วยนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถานการเดินทุดงกับมาฐานของท่านนี้ ท่านในพวงศ์ที่อยู่อาศัยขําไหนก็พักบําเพ็ญสานัธรรมระหว่างแล้วออกเดินทุดงต่อไปจิตใจของท่านนั้นมีแต่ธรรมะอาหารการกบฉันก็เป็นไปในลักษณะมีก็กินไม่มีก็อดยอมทนเอาไม่มีการ เ, เรียกร้องไม่มีการสงสารตนเองที่เกิดทุกขเวทนาเพราะการเดินทุดงก็เพื่อกจัดกิเลสภายใน เมืห่หมดสิ้นไปหลวงปู่พรมและหลวงปู่ชอบท่านมีความตั้งใจในข้อวัดปฏิบัติธรรมมากท่านมีความก ล, วกล้าหาชนิดถึงไหนถึงกันท่านได้ผ่านเมืองต่างๆในประเทศพมา่าจนสามารถพูดภาษาพมา่าได้คล่องแคล่วโดยเฉพาะหลวงปู่ชอบท่านพูดภาษาพมา่าได้คล่องเหมือนเป็นภาษาของท่านเองและระหว่างการเดินทางที่ดวงกรรมฐานของท่านนี้หลวงปู่พรม จิรากุญโยและหลวงปู่ชอบฐานาสโมท่านได้พักบาเพธรรมอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านครั้นพอรุ่งเชา้าท่านก็ออกบิงทบาทได้อาหารมาพอประมาณขนาดเดินทางกลับจากบินทบาทนั้นหลวงปู่พรมท่านได้ผ่านบริเวณวัดร้างแทกหนึ่งซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแตกหักพังตกเกลื่อนเต็ไปหมดท่านจึงนั่งลง และถวายการสักการะน้ำสักการแต่ภายในจิตใจของท่านนั้นได้รำพึงขึ้นว่าพระพุทธรูปเหล่านี้ไม่มีใครเหลียวแลแต่ซ่อมแจมกันเลยทิ้งระเกะระกะอยู่เต็มไปหมดพระพุทธรูปเหล่านี้สิ้นความศักดิ์สิทธิ์แล้วเราหลืออย่างไรขณะที่หลวงปู่ธมท่านกําลังรำพึงในใจอยู่นั้นก็เกิดความอาศจัรย์ขึ้นแผ่นดินสะเทือนเลือดลันกระดิ่งเก่า ที่แขวนอยู่ชายโบทหลังเก่านั้นถูกแรงสะเทือนดังเกรียวกราวขึ้นจนหลวงปู่พรมต้องเข้ายึดเสาวะล า, าไว้เพราะกลัวแผ่นดินจะถล่มหลวงปู่ท่านได้กำมึดรู้ด้วยวาระจิตและเห็นเป็นประจักษ์แก่ตัวท่านเองว่าความอัศจรรย์ครั้งนี้ไม่ใช่แผ่นดินไหวแน่แต่เป็นด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธลูกที่หักพังเหล่านั้น ท่านแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมีจริงๆไม่ควรประมาทในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นวพตถุบูชาชั้นสูงเย่อมมีเทวดาปกปักรักษาอยู่เสมอเมื่อลุงปู่พรมจิรพุนโจรท่านเห็นเหตุหการณ์อนอา จ, จารย์นี้แล้วบังเกิดปิติขนพองสยองกล้าวท่านจึงนั่งลงกราบขอขมาลาโทษต่อพระพุทธรูปเหล่านั้นบัดนี้หงปู่พรม มีความเชื่อมั่นในพุทธานุภาพขององมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยิ่งท่านมีความมานะพยายามที่จะบำเพ็ญธรรมขั้นสูงต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งหลงปู่ครมจิรักุญโยท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระที่มีนิสัยแก่กล้าพยายามป่าฟันกับอุปสรรคทั้งปวงเพื่อจะขอเอาดวงจิต อันเป็นสมบัติดวงเดียวของท่านผลทุกข์ให้ได้ก่อนที่ท่านจะบวชเข้ามาดําเนินจิตออกจากทุกข์นั้นท่านมีความตั้งใจและเคยปรารบในใจวิรุษข์ชาวค้ำว่าทําอย่างไรหนอชีวิตของเรานี้จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความตั้งใจของท่านนี้เองสามารถนํามาเป็นหลักประกันปฏิบัติทาข้อวัดอันบริสุทธิ์ในเพศพรมจรัญขณะที่อยู่ปฏิบัติธรรม กับพระอาจารย์สารซึ่งประสิทธิองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่นปุริธธตตะเนนั้นบ่อยครั้งที่ท่านพระอาจารย์สารได้เอ่ยปากยกย่องสรรณาคุณของหลวงปู่มั่นให้หลวงปู่พรมได้ยินหลวงปู่พรมท่านก็มุ่งต่อหลวงปู่มั่นเพื่อเป็นที่ฝากเป็นฝากตายในชีวิตแห่งเพศสมณะแต่ก่อนได้พบหลวงปู่มั่นท่านรับพึงกับตนเองเสมอว่า ก่อนที่จะเข้านมัสการพระอาจารย์มั่นผู้เลิศด้วยสติปัญญานั้นจำเป็นที่ท่านจะต้องฝึกฝนตนเองให้แข็งแกร่งแก่กล้าเสียก่อนเมืม่อได้พบได้รับอุบายธรรมะใดๆก็จะได้ทุ่มเทกายใจประพฤติปฏิบัติธรรมโดยขอเป็นชาติสุดท้ายแม้มีวาสนาบารมีแล้วก็คงจะสมหวังดัแบบตั้งใจไว้แน่นอน นอกจากหลวงปู่พรมจะเป็นผู้มีความอาจหารมั่นคงแล้วท่านยังเป็นพระผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติปัญญาอย่างรู้ในเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องจนสามารถเอาตัวรอดปลอดภัยได้ความจริงแล้วหลวงปู่พรมจิรปุณโยท่านมีใจกับธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงให้เกิดความอบอุ่นและเยือกเย็นตลอดมาท่านได้สละแล้วจนหมดสิน้น ยอมอดยอมทนต่อความยากลำบากหิวโขยไดอย่างสบายกรพฟะท่านมีธรรมะเป็นอารมณ์ของจิตมู่หลวงปู่ธมท่านปล่อยขันไปจิตแล้วความจริงก็ปรากฏว่าประมังสุขขังท่านหมดความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงสมัยที่หลวงปู่ธมยิรภุญโยท่านเดินทุ ด, ดงแสวงหาความมิเวศทางใจอยู่ในดินแทนประเทศพมา่า ท่านผ่านจังหวัดต่างๆมากมายหลายแห่งในวันหนึ่งขณะที่ท่านเข้าที่เจริญจมนัธรรมเมื่อจิตสงบดีแล้วก็ปรากฏนิมิตหมายอันสำคัญขึ้นว่าได้มีพระพิจุตสององค์หนึ่งมาปรากฏกายยืนอยู่ต่อหน้าของท่านพระพิจุตสององค์นั้นมีรัศมีกายสีฟ้าได้มีแสงที่สวยสดงดงามงามตาระยิบระยับ ไปทั่วบริเวณนั้นฟันแล้วพระพิจิตสงุงงนงามได้เอ่ยขึ้นกับท่านว่าเราคือพระอุปคุตเธอเคยเป็นศิษย์ของเราเธอมินิสัยแก่กล้าเอาให้ผทุกนาะต่อจากนั้นภาพของพระพิจิตรสง้นก็ค่อยหายไปด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้หลวงปู่พรมมีกำลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปมากมายดังนั้น หลวงปู่พรมจึงมุ่งปฏิบัติธรรมตามเสด็จพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายให้ทันในชาตินี้หลวงปู่พรมจิรปุญโยท่านถดงมาถึงถ้ำอีกแห่งหนึ่งอันเป็นสถานที่สงบระงับเหมาะแก่การเจริญภาวนาถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำนาปูเป็นบริเวณป่าไมา้และมีจัดป่าอาศัยอยู่มากชนิดด้วยกันมีบ้านของชาวพามา่าอยู่สีหลัง หลวงปู่พรมได้อาศัยบินธบาตใได้อาหารมาพอประทังตามสมควรนับได้ว่ามีบุญวาสนาต่อกันมากในสมัยนั้นไม่ปรากฏชัดว่าหลวงปู่ได้อยู่บาเพนธรรมณถ้านาปูแห่ง น, นี้นานสักเท่าใดแต่มีคำบอกเล่าการต่อมาว่าหลวงปู่พรมได้เร่งทำความเพียรอย่างชนิดทุ่มเทจิตใจกันเลยทีเดียว และการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นทำจิตใจเรื่องสุคภูมิธรรมข้าเลเอียดอ่อนซึ่งยากที่จะอธิบายได้นที่นี้การปฏิบัติธรรมของปุกโตริรปุญโญในเขตประเทศพมา่าเมื่อท่านเห็นเป็นการอันสำควรแล้วท่านได้ออกทัดงมุ่งมาทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินตามเป้าหมายอันสำคัญแห่งชีวิตคือ จะต้องไปพบกับหลวงปู่มั่นให้ได้ในว่าท่านจะอยู่แห่งขนตําำบลใดก็จะติดตามให้จนพบเพื่อขอนมัส ก, การและอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านในที่สุดท่านก็ได้พบหลวงปู่มั่นจอมปราดในทางธรรมอย่างสมใจการเข้านมัส ก, การหลวงปู่มั่นในครั้งแรกพบนั้นศิษย์ผู้เคยได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านได้เล่าความในใจที่สืบทอดต่อตอกัน มาพอเป็นอุบายให้ในการสำรวมใจขณะเข้าพบครูบาอาจารย์ว่าขณะที่หลวงปู่พรมมองเห็นหลวงปู่มั่นเป็นครั้งแรกท่านก็นึกประมาณอยู่ในใจว่าพระองค์เล็กๆอย่างนี้นะหรือที่พวกคนเขาเริ่มเรือว่าเก่งนักดูแล้วไม่น่าจะเก่งกาจอะไรเลยท่านเพียงแต่นึกอยู่ในใจของท่านเท่านั้นครัน้นพอจบโอกาส หลวงปู่พรมก็เข้านามาสาการคำแรกที่หลวงปู่มั่นท่านกล่าวขึ้นท่านถึงกับสะดุง้งเพราะว่าหลวงปู่มั่นท่านได้กล่าวทำนองที่ว่าการดวนวิสัยความสามารถของคนโดยมองดูแต่เพียงร่างกายเท่านั้นไม่ได้จะเป็นการตั้งสติอยู่ในความประมาทคำพูดของหลวงปู่มั่นนี้เองทำความอัศจรรย์ให้เกิดขึ้น บังเกิดความศรัท ธ, ธาอย่างแรงกล้าที่ต้องให้ความเคารพนับถือนี่เพียงแตน่นคิดในใจอยู่เท่านั้นหลวงปู่มั่นก็สามารถถ่ายใจได้ถูกเช่แล้วหลวงปู่พรมก็ได้ถวายตัวเป็นศิษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาภายหลังได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นแล้วหลวงปู่พรมกิรปุญโญท่านได้สลักําลังกายและกำลังใจ ทุ่มเทให้แก่การประพฤติ ธ, ธรรมอย่างหมดชีวิตจิตใจดูเหมือนว่าเวลาแห่งการพักผ่อนน้อยมากนอกจากเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมเท่านั้นท่านได้กำหนดจดจำเรียนรู้กฎปฏิบัติปฏิปทาข้อวัดของป่ายพระทุดงกรรมฐานในสายของปู่มั่นปุริทตโตเริ่มตั้งแต่เที่ยวบินธบันวัดคลอกผ้าสามผืนเป็นวั ด, 5, 3, วดเที่ยวไปตามภูเขาทำ ป่าช้าโคนไม้เป็วัดอันเป็นสิ่งที่คณะสิทธังปวงกระทาอยู่เป็นนิดในปีพุทธศักราช2480ท่านอาจารย์พรมได้อยู่กับท่านอาจารย์ขาวที่วัดดอยจอบแจ้งอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีหมู่คณะอยู่ด้วยกัน6รูปคือ 1. ท่านอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตตะมหาเถระ 2. ท่านอาจารย์ธมจิรภุญโยสท่านอาจารย์ขาวอนาลโยสท่านอาจารย์โนหท่านอาจารย์คำหกท่านพระมหาทองสุขสุจิตโตหรือพระครูอุดมธรรมคุณในขณะนั้นท่านอาจารย์ขาวได้สิบสามพรรษาท่านอาจารย์ธมก็คงมีพรรษาใกลเรียกัน ในปัญญานี้ท่านได้ประกอบความเพียนมากถือเพียงริยบทสามคือยืนเดินและนั่งไม่ถือริยาบทนอนอตลอดไกลมากสามเดือนส่วนมากท่านถือการเดินจงกรมเป็นกิจวัตรประจำวันเมื่อออกปัญษาแล้วก็ได้เที่ยวแยกย้ายกันไปหาวิเวกในถิ่นต่างๆส่วนท่านอาจารย์พรมธิรภุญโย ได้ไปทางเหนือถึงเมืองตอนเมืองหางเททขตแควนเมืองตรงท่านได้พักทำความเพียรอยู่ที่่านปุ้มเป้ใกล้เขตเมืองนี้ท่านจำพรรษาจิ่ที่ท่า น, นี้หนึ่งรรษาได้บำเพ็ญสมรธรรมโดยสะดวกสบายดีไม่มีการติดขัดในทางภาวนามาบำเพ็ญจิตใจ ออกพรษาแล้วจึงได้เดินทางกลับมาพบกับท่านอาจารย์ขาวอีกที่บ้านป่ากแก้งตำบลโลงคอดอำเภอรพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ได้สนทนาธรรมกันพอสมควรแล้วท่านอาจารย์พรมก็ได้กล่าวถ้อยคำขึ้นด้วยความเบิกบานในขณะนั้นว่าปัญญาผู้ทำแสงสว่างจะเกิดขึ้นแล้วจะไปในที่สารทิศใดๆไมะมีความหวาดกลัวอีกแล้ว ในขณนะนั้นท่านได้ถามปริศนาปัญหากับท่านอาจารย์ขาวว่าเมื่อครูบารณภาพแล้วจะไปอยู่ในที่ไหนนี้เป็นปัญหาที่แก้ยากสาหรับผุ้ตุชนทั่วไปพระอาจารย์ขาวได้กล่าวตอบว่องไวไม่ติดขัดและถูกต้องตามความเป็นจริงแห่งจริทธรรมว่าอยู่ที่ไหนก็มาอยู่ไปข้างหน้าข้างหลังก็ไม่ไปขึ้นบนก็ไม่ขึ้น ลงข้างล่างก็ไม่ลงทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกก็ไม่ไปดังนี้เมื่อพระอาจารย์ขาวได้กล่าวแก้ปัญหานี้จบลงแล้วพระอาจารย์พรมก็กล่าวรับรองว่าแน่ทีเดียวพระอาจารย์พรมได้กล่าวต่อไปอว่าเมื่อความจริงมีอยู่ดังนี้ทำไมครูบาที่คิดยูดา่าตัวของตัวมากนักได้รับคำตอบว่า ดูดา่าก็ดูด่าแต่ละพังใจตัวเองเท่านั้นไม่ได้ออกปากออกเสียงให้กระเชือนใจผู้อื่นถึงข่าวเราชนะก็คงที่มันไปอย่างนั้นแหละตอนนี้แสดงให้เห็นว่าท่านอาจารย์พรมคงร่วงรู้ความไม่คิดภายในจิตใจของท่านอาจารย์ขาวว่าเป็นการล่วงหน้าแน่นอนทีเดียวอีกตอนหนึ่งท่านอาจารย์ขาวได้ให้โยมนำพระพุทธรูปทองซึ่งถูก พวกในพานชนทำลายพระเศียรแขนขาก็ไม่มีถูกตัดไปหมดยังเหลือแต่แท่านกลางองค์ทำเป็นเกลียวต่อกันไว้ท่านจะไปไหนก็คิดถึงไม่ได้าวเมื่อเอาลงจากดอยแล้วป่ารบว่าจะหาช่างมาต่อพระเศียรแขนขาให้เป็นองค์พระที่สมบูรณ์ขึ้นมา โยมผู้มีศรัทธารับอาสาจัดหาเครื่องอุปกรณ์เช่นเหล็กปูนสายมาให้ยังขาดแต่ช่างผู้สามารถทำได้อย่างนึกไม่เห็นใครเห็นแต่ท่านอาจารย์พรหมเท่านั้นพอจะมีฝีมือทำให้ได้บ้าง ก, กระมังขณะนั้นท่านอาจารย์พรหมพักอยู่ที่ป่าเมี่ยงอำเภอแม่สายท่านอาจารย์ขาวจึงไปหาท่านด้วยตนเองเมื่อไปถึงแล้ว เล่าเรื่องราวให้ท่านอาจารย์พรมฟังเสร็จแล้วได้ถามต่อไปว่าพอจะบุรณะซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้หรือไม่ก็ได้รับคำตอบในทันทีว่าไม่ยากขอแต่ให้มีเครื่องอุปกรณ์คือปูนซีเมนต์เท่านั้นก็ทาได้จากนั้นท่านอาจารย์ทั้งสองก็ลุทตามกันมาจนถึงตาบลหลวงคอดทที่ได้เอาพระพุทธรูปมาไว้ก่อนแล้วพอมาถึง ได้เครื่องอุปกรณ์เพียงพอท่านกลงมือทำทันทีจนเป็นที่เรียบร้อยสมควรแก่การกราบไหว้สักการบูชาของพุทธาชนิกชนทั่วไปเมื่อทำเสร็จแล้วท่านอาจารย์พรมก็พิจารณาถึงมูลเหตุที่เป็นมาก็จะทราบทันทีว่าพระพุทธรูปองค์นี้เมื่อวลาทำหลอดต่อดีต ท, ที่ผ่านพ้นมานานนนะอาจานขาวได้เป็นช่าง สูกลมในเวลาหลอพอท่านอาจารย์เผยความจริงออกมาเช่นนี้ท่านอาจารย์ขาวก็พูดรับรองว่าเป็นความจริงเพราะผมจะไปที่ไหนไหนก็คิดถึงพระพุทธรูปองค์นี้อยู่เสมอเรื่องที่เรามานี้แสดงว่าท่านอาจารย์ธมได้ร่วงรู้เหตุการณ์ในอดีตเป็นอันดีซึ่งเป็นการยากที่คนธรรมดาสามัญจะรู้ได้อย่างนั้นนอกจากเป็นการเตามากกว่า ท่านอาจารย์พรมได้พักอยู่จำปาศาที่ตำบลหลกคอดนี่หนึ่งพรรษาจากนั้นก็พักวิเวกจำพรรษาแห่งละหนึ่งพัรษาคือบ้านโปง่งป่าเมี่ยงและอำเภอแม่สายแล้วท่านก็ได้กลับมาทางภาคอีสานถิ่นเดิมท่านได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นสมบูรณ์บริบูรณ์นับว่าเป็นผู้ที่หาได้ยากยิ่งหลายครั้งที่ลุงปู่พรมและลุงปู่ขาว ท่านได้ออกเดินธุดงเคยเวกไปอยู่ป่าเขาด้วยกันต่างก็ได้มุ่งมั่นที่จะศึกษาปฏิบัติขจัดกิเลสตัณหาอุปทานออกจากจิตใจด้วยกันทั้งสิ้นนับได้ว่าเป็นการที่ได้ฝึกฝนอบรมธรรมะในภาคเหนือนี้ท่านได้พบกับพระสุ ป, ปฏิบัติผู้เป็นคู่อัจคู่ทำโดยแท้จริงหลวงปู่พรมท่านได้ถือภาค แห่งการปฏิบัติธรรมหักโหมขั้นอุกฤษก็ในปีพุทธศักราช2480นี่เองครูบาอาจารย์ผู้ประิทธิ์บอกเล่าต่อกันมาดังนี้เมื่อลวงปู่พรมท่านได้มาอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นแล้วท่านถือว่าตัวของท่านได้มาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ผู้เลิศแตกฉานในทางธรรมดังนั้นหลวงปู่พรม ท่านเร่งทำความเพียรอย่างเต็มที่คือท่านได้ถืออิรียบทสาประการได้แก่ยืนเดินนั่งตลอดตรามากท่านไม่ยอมนอนให้หลังแต่พื้นเกติงเลยโดยถือคติธรรมของหลวงปู่มั่นว่าธรรมอยู่ฟากตายถ้าไม่รอดตายก็ไม่เห็นธรรมเพราะการเจีิยงต่อชีวิตจิตใจอันเกี่ยวกับความเป็นความตายนั้นผู้มีจิตใจมุ่งมั่น ต่ออาถรรมแด่หลุดพ้นเป็นหลักยึดของพระผู้ปฏิบัติพระกรรมฐานจริงๆฉะนั้นอุปสรรคต่างๆย่อมได้พบอยู่เสมอดังครูบาอาจารย์หลายองค์ถ้าแม้จิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงจริงๆก็จะทำไม่ได้บางคราวปวดหลับปวดนอนมากๆศูนย์ประสาเทเสียจริตไปก็มีบางก็เดินชนต้นไม้ใบหญ้าให้วุ่นวาย หรือไม่เวลาออกบินฑบาทที่ยวตะคุกผู้คนก็มีเพราะเดินหลับในเกิดอาการตึงเครียดไม่สามารถทรงสติตนเองได้อย่างไรก็ตามครูบาอาจารย์ท่านแนะนำให้ปฏิบัติเพิ่มสติกำลังใจให้แก่ใกล้จริงๆจึงจะทำได้เมื่อถึงคราวเร่งความเพียรก็ย่อมจะได้พบความสำเร็จโดยไม่ยากปฏิปทาของปุพรมในเรื่องนี้ สมายแรกพบกับหลวงปู่มั่นใหม่ๆท่านก็เกิดคิดทำความเพียรเช่นนี้เหมือนกันแต่ถูกลุงปู่มั่นท่านห้ามไว้ก่อนเพราะจะเป็นการหักโหมเกินกำลังโดยท่านแนะให้นั่งสมาธิฝึกจิตเสียก่อนครั้นเมื่อกลังจิตแก่กล้าแล้วท่านมาเร่งทำความเพียรอย่างหนักหน่วงผลประโยชน์จึงมังเกิดกัหลวงปู่พรมท่านสามารถสาเร็จธรรมะ ท่านจูงในภาคเหนือนี่เองอันยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวท่านและหมู่คณะเป็นอันมากสมัยที่หลวงปู่พรมเจริญปุญโยท่านเควิเวชอยู่กลางป่าเขาท่านได้พบกับสิ่งแปลกและอัศจรรย์มากมายแต่ท่านไม่สามารถเล่าให้ละเอียดลงไปได้ไม่ว่าสถานที่เวลาใดใดไม่สามารถกำหนดชี้ชัดลงไปได้เลย นอกเสียจากการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านเท่านั้นท่านเดินตุดงบุกป่าป่าโดงไปในที่ต่างๆทั้งในประเทศและนอกประเทศเดินทางตลอดวันตลอดคืนก็ไม่พบป่าบ้านช่องเรือนชาญของผู้คนในเวลาที่ต้องะจนทุกเช่นนี้ท่านมีแต่ความอดอยากทรมานเยมากกว่าความอิ่มกายสบายใจท่านต้องอดทนยอมต่อความหิวโหวยอ่อนเพลีย ทางนี้เพราะโรงทางท่านนอนค้างอยู่กลางปากเขาเฉพาะการเดินดุ่งในช่วงออกไปทางประเทศพมา่าเป็นความยากลําบากมากเ mm hmm. ม, กกมก mm ื hmm. ่อคราวเดินวิเวศเพราะทางที่ไปนั้นมีแต่สัตว์ป่านาชนิดเช่นพวกเสือและงูพิษที่ไม่ยอมกลัวคน mm hmm. บางครั้งก็ต้องปรุงอนิจจังต่อความทุกข์ที่ต้องทรมานสึกแสนจะทน และมีชีวิตสืบต่อไปวันข้างหน้าเมื่อนึกลงใจตัวเองแล้วก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งต่างๆในร่างกายภายในมันจะหยุดสุดสิ้นลงไปเพื่อพร้อมกันลมหายใจก็เหมือนขาดตอนที่ต่อเนื่องกันนี่เป็นเครื่องทวงทรมานกายใจตอนนั้นแต่ในที่สุดมันก็พอทนอยู่ต่อไปได้อีกตามเหตุการณ์และวันเวลาผ่านไป อยู่เพื่อธรรมะแม้ไปก็ยังมีธรรมะคู่กับกจิตใจไม่เอียนเอียงหวั่นไหวเลยหลงปลู่พรมศิรปุญโญท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยความเค้่งครัดและยังเป็นผู้มีนิสัยเคร่งขรึมและเด็ดเดี่ยวยิ่งท่านได้สลักพันธะทางโลกซึ่งท่านเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ทั้งที่มีวิญญาณ และที่ไม่มีวิญญาณมีค่า น, นับล้านบาทเพื่อแจกเป็นทานบารมีการที่ได้บวชเข้ามาในพระบวรพุทธศาสนาก็เพื่อปลดเรื่องภาระทางใจอันประกอบด้วยกิเลสตัณหาที่เป็นบ่อแห่งกองทุกข์ท่านจึงดำรงชีวิตในเพศพรหมจันทร์อย่างเคร่งครัดต่อพระธรรมอวินยัยมีความสันโดษเป็นที่ตั้งยึดมั่นในพระธรรม คำสั่งสอนแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยชีวิตและจิตใจอยากที่บุคคลทั่วไปจะเสมอเหมือนด้วยความพยายามอย่างที่กล่าวมานี้ฉนได้รับความชมเชยจากหลวงปู่มั่นภูริทัตโตต่อหน้าพระเถระผู้ใหญ่หลายๆท่านว่าเป็นผู้มีความภาคเพียรสงยิ่งมีความตั้งใจแน่วแน่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างขึง้นคัดที่สุดเป็นตัวอย่างที่ดี แก่พระภิกษุทั้งหลายควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างหลวงปู่พรมจิระปุญโญท่านได้อยู่ใกล้หลวงปู่มั่นภริธาโตเป็นเวลานานหลายปัญหาตลอดเวลาที่ได้อยู่ปฏิบัติธรรมท่านมีจิตใจที่ก้าวหน้าทางปฏิบัติอย่างไม่หยุดยั้ยงมีความแน่วแน่ตนเองมากยิ่งขึ้นท่านได้รับการอบรมโดยสม่ำเสมอเวลาบางปีหลงปู่มั่นภริทัตโต ใจเมตตาให้อีจำพรรษาด้วยน่าเป็นโอกาสอนุดมของท่านส่วนบางปีท่านก็จะปลิดตัวออกไปบำเพ็ญในป่าแต่เพียงลำพังเพราะเป็นนิสัยของท่านที่ไม่ชอบอยู่กับที่แนานา น, นั่นเองหลวงปู่พรมจิรปุญโญท่านเป็นพระอริยเจ้าผู้มีคำพูดน้อยถือสันโดษมักน้อยไม่มีจิตใจฟุ้งซ่านกับสังคมภายนอก หลวงปู่ถ้าไม่ประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดต้องเดือดร้อนเป็นการรบกวนยุ่งยากอันหนึง่งท่านก็หยุดจำบรรษาในดงลึกยากแก่การเข้าถึงในสมัยนั้นเมื่อมีคณะญาติโยมจะอุตส่าห์เดินทางไปจนถึงที่พักของท่านท่านก็จะพูดจาปราศัยเพียงประโยคเล็กๆน้อยๆพอไปที่เข้าใจท่านก็ให้รีบกลับทันทีตีพุทธศักราช 2,486 เป็นปีสุดท้ายที่หลวงปู่พรมยิรภูลโยอำลาภาคเหนือท่านได้เดินทุดงมาทางภาคอีสานเมื่อมาถึงภาคอีสานแล้วก็ได้ไปสมทบกับพระอาจารย์ของท่านที่วัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและได้จูดจำพัรษาที่นั่นในระหว่างที่หลวงปู่มั่นภุริทธโตท่านได้ไปพักจูดจำพรรษาที่วัดป่าภุริทตะ ติพราวาดตำบลนานใยอำเภอพนนิคมจังหวัดสกลนครในระยะหนึ่งบรรดาพระเทระทั้งหลายผากกันไปกราบนมัสการท่านอาจารย์ใหญ่มั่นซึ่งมีพระอาจารย์พรมรวมอยู่ด้วยในฝั่งโอวาทของท่านอาจารย์ใหญ่มั่นแล้วเฉพาะต่อหน้าพระเทระทั้งหลายที่ร่วมฟังโอวาท ด, ด้วยกันท่านอาจารย์ใหญ่มั่นถามท่านอาจารย์พรมขึ้นว่าท่านพรม มาแต่ใกลเป็นอย่างไรบ้างการพิจารณากายการภาวนาก็ดีเป็นอย่างไรท่านอาจารย์พรหมเรียนถวายว่าไม่มีอกถังกะถีคือสิ่นสงสัยแล้วท่านอาจารย์ใหญ่มั่นได้ยกย่องชมเชยท่านอาจารย์พรหมต่อหน้าพระเทะทั้งหลายว่าท่านพรหมเป็นผู้มีสติทุกคนควรเอาอย่างรั้นการต่อมาท่านอาจารย์พรหม ได้กลับจากการอยู่ใกล้คิดท่านอาจารย์ใหญ่มั่นที่หนองผืนนาไนมาอยู่ที่บ้านดงเย็นอันเป็นทินเดิมได้ภายาติโยมสร้างวัดประสิทธิธรมรมพร้อมด้วยสร้างถาวรวัตถุ ข, ขึ้นภายในวัดเป็นจำนวนมากเช่นสร้างกุฏิวิหารสร้างสาราการป ร, รียนบ่อน้ำภายในวัดและนอกวัดพาญาตโยมทาถนนหนทางสร้างโรงเรียนประชาบาลบ้านดงเย็น ได้สร้างสะพานข้ามลาน้าสงครามเป็นสาธารณประโยชน์ไว้มากมายนอกจากท่านได้สร้างและจุดจํารรษาที่วัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นแล้วท่านยังได้ทําประโยชน์แก่ชุมชนใกล้เคียงทั้งทางวัดและทางบ้านบางปีจะพรรษาที่วัดบ้านท่อนตําบลพลสูงสร้างโบสถ์วิหารสลักกา ร, รเรียนกุฏิและสะพานข้ามตุ้กนา จากบ้านไปวัดยาวประมาณ1ิแปดเจนบางสีจำบัญสาทิวตา น, นิมิตบ้านตาลซึ่งเป็นมาตุภูมิของท่านสร้างกุฏิวิหารต่อมาทรงนิพพา ก, การผูกเป็นพระเจีมาใช้ในการสร้างขกรรมจนกระทั่งปัจจุบนันนี้นับว่าท่านบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นได้สมบูรณ์ยิ่งยากที่ผู้อื่นจะทาได้เหมือนอย่างท่าน จึงเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาของผู้มุ่งประโยชน์สุขโดยทั่วไปสรุปความในธรรมะของนุ๊ปปุพรมกิรปุลโยได้ดังนี้คือเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งและมนุษย์นี้เองที่สามารถยังประโยชน์ก็ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงวงสากนาญาตกว้างไปไกลถึงสังคมชุมชนน้อยใหญ่ ให้มีแต่ความเจริญสุขสถาพรยิ่งได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมพลเมืองด้วยแล้วย่อมนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองต่างก็อยู่ดีมีสุขทุกเรือนชาเพอมนุษย์มีสติมีปัญญามีธรรมะประจำจิตใจด้วยกันก็มนุษย์นี่แหละกระทำขึ้นให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งสิ้นการทาความชั่วถ้ามนุษย์พึงปรารถนา ใ ส, สติและปัญญาเที่ยวสร้างสรรค์แต่ความชั่วร้ายป่าเถื่อนอันประกอบตนเองลดฐานะของจิตใจให้ตกอยู่กับฝ่ายชั่วร้ายก็มีแต่เที่ยวเบียเดเบียนบั่นทอนผู้อื่นให้ได้รับความทุกข์เดยอร้อนออกเกจกะระรานเที่ยวข่าตน้นจิงจัดทําลายล้างให้ตนเองและวงสากอนุญาตลุกลามไปในชุมชนน้อยใหญ่ ก็จะมีแต่ก่อเวรภัยหาความสุขไม่ได้ยิ่งมนุษย์นำสติปรรัญญาที่มัวเมาไปด้วยความชั่วและสิ่งเลวร้ายมีนายคือจอมกิเลสคอยบงการก็เอาสติปัญญานั่นแหละเกี่ยวค้นคิดสร้างอาวุธยุทธนาแล้วนำมารบปราคฆาฟันกันตายทำลายชีวิตและสมบัติซึ่งกันละกันทำลายล้างแม้ประเทศชาติบ้านเมืองให้ชิบหายล่มจม ล้างฐานแม้กระทั่งสมนมะเอนชีให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างที่เราท่านทั้งหลายมองเห็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อยังไม่ตายหายจากวิบากของความชั่วเลวร้ายนั้นก็่อยไล่ล้างศานตนเองให้เที่ยวหนีซุกซ่อนเหมือนสัตว์ที่ถูกน้ำร้อนเลยหาความสุขไม่ได้เป็นนรกบนดินด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ลูกปพรมจิรปุนโย ทนายเมตตาประทานให้แก่พวกเราทั้งหลายก็เพื่อสั่งสอนให้พวกเราจงทำแต่ความดีที่มีคุณมีประโยชน์จงอย่าทำความชั่วเพราะรังแต่จะเกิดโทษอันเอเนกอนันต์ท่านให้เรามีสติปัญญาพิจารณาตรึกตรองให้มีทานมีศีลมีภาวนาก็จะบังเกิดปัญญาธรรมอันล้าค่ามหาศาลนั่นเองที่วัดบ้านดงเย็น สมัยหลวงปู่พรมท่านยังมีชีวิตอยู่ก็มักจะมีบรรดาท่านสาธุชนเดินทางไปกราบในมรศการท่านอยู่เสมอแม้หนทางในสมัยนั้นการข้ามนาคขมไม่สะดวกอย่างเช่นปัจจุบนันนี้การเข้าไปพบเพื่อนมรส ก, การไม่ใช่ของง่ายๆทางก็ไม่ดีอีกทั้งยังเป็นป่าไมา้อนาแน่นถึงกรรมนั้นทุกคนก็ได้พยายามจนไปถึงที่ท่าน จักปัญญาอยู่อย่างน่าสรรเสริญยิ่งจิทธิปกติแล้วของหลปู่พรมยิรปุโยกย่อมเป็นสิทธิอัศจฉรย์คือมีความรู้ความเห็นอันผิดไปจากมนุษยธรรมธรรมดาจะรู้จะเห็นหรือเข้าใจเมื่อคณะญาติโยมคนใดมาถึงวัดที่ท่านอยู่จำรัญญานั้นท่านจะรู้วาระจิตของทุกทุกคนที่มาท่านสามารถทายใจของทุกคนได้ถูกต้องและแม่นยำอย่างเช่น มีบุคคลที่ไปทำบุญกับท่านมีแต่สิ่งหวังตั้งใจมาท่านก็จะพูดเตือนสติทันทีเมื่อพบหน้ากันดังนี้การที่จะทาบุญทาทานนั้นต้องมีจิตใจตั้งมัน่นและให้เกิดศรัทธาในบุญกุศลทานเสียก่อนถ้าไม่ศรัทธาใจไม่ตั้งมั่นแล้วอย่าทำจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยบางคราวจะมีญาติโยมชายหญิงที่เดินทางไปถึงก็เที่ยวเดินชมวัด และบริเวณต่างๆแล้วพูดคุยในลักษณะประจบทำบุญเอาหน้าเอาตากันว่าฉันจะต้องมาสร้างโน้นสร้างนี่จะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่จิตใจนั้นมีเจตนาหวังผลหรือตั้งตัวเองให้เป็นผู้มีสนิดชิดเช้อกับตัวท่านมีบุญมีคุณต่อท่านแล้วท่านก็มักจะเตือนว่าถ้าไม่ศรัทธามีเจตนาเป็นอื่นก็ไม่ควรจะทา แต่ถ้ามีญาติโยมคนใดเข้าไปนมัศ ก, การได้มีเจตนาดีมองเห็นคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นโดยส่วนรวมแล้วแม้ยังไม่ได้บอกกล่าวแก่ผู้ใดเลยหลวงปู่พรมก็สามารถรู้ด้วยจิตภายในท่านจะอนุโมทนาและกล่าวขึ้นพอเป็นปฐมแบบนี้ว่าท่านมีเจตนาดีก็ทำไปเถิดเพราะฉิ่งนั้นเป็นบุญเป็นกุศลขาดหลับท่านยังรู้ หลวงปู่พรมจิรปุญโญท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติธรรมที่ควรแก่การเคารพูชาแม้ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันก็ยังกล่าวถึงท่านด้วยกิตติคุณอันงดงามอยู่เสมอสมัยหลวงปู่พรมท่านกลับมาถึงบ้านดงเย็นท่านได้สร้างความอัศจรรย์แก่พวกเราให้ได้เห็นมากมายเมื่อท่านมาอยู่ได้ไม่นานก็มีชาวบ้านบวชพระตามท่านไปหลายองค์พวกชาวบ้าน ก็เข้าวัดเขาวาดีอกดีใจที่มีวัดปฏิบัติเป็นของตนเองวันที่สิบพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อสิบสองเขาแห่งปริศนาธรรมความเป็นจริงได้ปรากฏชัดภายในจิตใจของหลวงปู่พมชีรลปุญโยสิแล้วชาวบ้านดงเย็นอำเภอบ้านดงุงจังหวัดอุดรธา น, านีจะมีใครคนไหนรู้ได้บ้างว่าขณะนี้ ต้นโพต้นไทรที่เคยได้ให้ความสงบสุขซึมรมแก่ผู้เขาทั้งหลายก็กลังจะถูกพายุอันเกิดจากอานาจพระไตรัชคืออณิจจังทุกขังอนัตตามาโคนมาถอนออกไปเสียจากจิตใจของผู้เขาก็ปราะความไม่ติ้งตรงไม่แน่นอนอยู่ไปก็มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แท้จริงก็เป็นท่าเฉยไม่ใช่ตัวตนบุคคลเรา เขาหลวงปู่พรมจิรปุญโยจึงสามารถกำหนดรู้ชัดเพื่อจิตใจอันเป็นหนึ่งของท่านโดยได้ปร่งสังขารกล่าวอำลาชาติชราพยาธิมรณะไม่ขอกลับมาพบเห็นคุกเคากันอีกต่อไปหลวงปู่พรมจิรปุญโยท่านได้แสดงธรรมปฏิบัติอันเป็นอุบายธรรมให้ทุกคนได้พิจารณาน้อมนึกถึงความตายอยู่เสมอ จงจะได้ประมาทการปฏิบัติตนให้เกิดสติปัญญาโดยเป็นเครื่องมือพิจารณาให้เห็นแก่นแท้ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสโลกพร้อมทั้งได้ชี้แนะอยู่ในตัวคือพระพุทธองค์ทรงรตรัสโลกทรงให้วนิชัยด้วยสติปัญญามองดูความเคลื่อนไหวอาการของกิเลสทางใจมีอาการเป็นไปทางในบ้างในวันหนึ่ ง, งวันที่หลวงปู่พรมจิรปุญโญ ท่านจะมรณาภาพท่านในขัาห้องน้ําตั้งแต่เช้าท่านปิดประตูใส่ก่อนเงียบอยู่จนเวลาที่จะต้องออกเวรธบาทผู้ที่เฝ้ารออยู่หน้าห้องน้ําก็นั่งเฉยเฉยท่านจะบุ่มบามเข้าไปก็ไม่กล้านั่งรออยู่จนกระทั่งประตูห้องน้าเปิดเหลองปู่เดินโซเซออกมาก่อนพ้นประตูท่านลม้มลงไปพระผู้อยู่ใกล้วิ่งเข้าไปรับแล้วประคองท่าน เข้ามานอนในห้องวันนั้นแทบไม่ได้ออกปินทบาตกันเลยต่างก็มีหน้าที่ของตนคอยรับใช้ครูบาอาจารย์อย่างใกล้ชิดก่อนที่ท่านจะสิน้นชีพประจท่านแทบจะไม่เต้นเพราะทุกคนคอยตรวจเช็คกันอยู่ตลอดเวลาการเวลาค่อยๆผ่านไปผ่านไปแต่และ ว, วินาทีดูเหมือนว่าโลกจะหยุดนิ่งคนที่อยู่ใกล้ ต่างก็เพ่งมองดูอาการแทบไม่หายใจเพราะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆขณะที่ท่านจะสิ้นใจท่านได้รวบรวมพลังจิตอันกล้าเลื่อมตาขึ้นมามองรู้สึกทั้งหลายมีทั้งพระจำมะเนรอุบาสกอุบาสิกาทุกคนคล้ายกับเปล่าอำลาแล้วท่านก็ยกมือขึ้นพนมเหนืออกเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นหลวงปู่พรม จิระปุญโยได้จากโลกนี้ไปที่ประจอของท่านหยุดเต้นมือทยกขึ้นอนุมตกลงข้างกายบัตนีหลวงปู่พรมได้จากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกคนไปด้วยอาการสงบระงับจิตเข้าสู่แดนกเกษมเมื่อเวลา1ิบเจ็ดนาฬกาสามสิบนาทีของวันที่สิบสามพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบสองโรคชรา สิริรวมอายุได้8ปสเอดปีพันจา43สาในการครั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิการะและกะตันยูกะตะเวทิตาธรรมในพระคุณของท่านอาจารย์พรมจิรคุณโยคณะศิษยานุสิ์พร้อมด้วยทายกไทยกาที่เคารพนับถือในท่านียกพร้อมกันเชื้สละกำลังกายกำลังศัตด์และกำลังความคิด จัดสร้างเกดีเป็นจุอธิธาตของท่านซึ่งหลงปู่ท่านเริ่มเกิดหลุมวางรักฐานไว้กอดที่ท่านจะมรณภาพเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อุชนรุ่นหลังขึ้นที่วัดประสิท ธ, ธิธรรมบ้านดงเย็นตำบนดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีส่วนสูง20เมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ้นทุนทรัพย์ไปประมาณ 200,000 บาทเศษข่าวการมรณภาพ ของพระเยเจ้าแห่งบ้านดงเย็นให้แพระขยายไปไกลทุกคนมีแต่ความ ส, สุขสจได้ตาผู้ทรงคุณธรรมสูงเช่นหลวงปู่ท่านทุกคนเมื่อทราบข่าวนี้ตางก็ได้รำพึงถึงพระคุณความดีของท่านเพราะท่านเคยอยู่ให้เป็นกำลังใจแก่ทุกๆคนอีกทั้งอย่างได้ประสิทธิธรรมะให้แก่สิทธิ์พระภรวตท่านชายหญิงที่หาประมาณไม่ได้ บรรดาคณะสิทธิชายหญิงที่เป็นคารวาสอันประกอบด้วยชาวกรุงเทพชาวเชียงใหม่และอีกหลา ย, ลายจังหวัดต่างก็มุ่งหน้าอุตส่าห์เดินทางกันไปแม้จะทุกข์ยากลำบากเพียงใดใกล้ไกลแค่ไหนจะชิ้นเืองอย่างไรทุกคนดูเหมือนว่าไม่มีใครสนใจถึงนอกจากขอได้ประกราบศพแสดงคารวาสเป็นครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจมุ่งหวังกรพบและศรัทธาบ้านโงเย็น ่ไกลแสนไกลอีกทั้งกว้างใหญ่ไพศาลก็กลายเป็นสถานที่ครับแทบเสร็จแล้วในเวลานั้นนอกจากนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีของทุกๆคนที่มาร่วมงานสำคัญเพราะพระกรรมฐานไนสายขอนุปมั่นบปุริทะโตได้เดินทางไปร่วมงานเป็นจานวนมากเวลา22นาฬกาของวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2514 การถวายเพลินศพได้เริ่มขึ้นณเมรุวัดประสิทธิธรรมบ้านดงเย็นตำบลดงเย็นอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพระพิจุดสำมเนรแม่ขีพักขาวประชาชนชายหญิงบัดนี้ดวงจิตทุกดวงต่างเพ่งไปยังจรีระที่กำลังถูกไฟลุกโชดช่วงคอยวันไหม้เป็นเท่าฐานไปในที่สุดสังขานี้แม้จะเป็นเพียงธาตุแต่ลวงปู่พรม ก็ได้อาศัยสังขานี้ออกบนเพนธ ร, รมด้วยความกระหายสิสรสละทุกสิ่งทุกอย่างไม่อะไรเสียได้เลยขณะนี้ถ้าได้จากไปตามกฎของพระไตรักษ์ไม่มีใครจะเหนียวท้งต้านทานว่าได้จักรายเดียวภายหลังจากถวายเพลิงศพท่านไปแล้วไม่นานนักพนักกรรมการวราัดพระสิทธิธรรมได้นำอติของหลวงปู่พรมจิรปุญโยส่วนหนึ่ง นำมาบรรจุไว้ในเจดีจิรปุญโยซึ่งคณะสิทธ์ได้ร่วมกันสร้างขึ้นถวายเป็นนูปสอนคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูกตาวเวที่คุณเจดีจิรปุญโยนี้ยังได้ใช้เป็นที่เก็บอธิบริขารของลุก ป, ปู่อีกด้วยอธิบางส่วนบรรดาลูกศิษย์ลกหาทั้งมวลได้รับแจกเพื่อ น, นาไปจักรบูชาและลึก ถ, ถึงอธิท่านได้กลาย เป็นพระธาตุในเวลาอันสั้นอธิท่านที่ได้ทําการแจกจ่ายแก่ท่านที่มาในงานไปไว้เป็นที่ะระลึกสักการบูชาที่ต่างๆมีมากต่อมากจึงไม่อาจทราบได้ว่าของท่านผู้ใดได้แปลสภาพจากเดิมหรือหาไม่ประการใดบ้า ง, างแต่เมื่อไม่นานมานี้ได้มีท่านที่ได้รับแจกอธิท่านมาแล้วอธินั้นได้กลายเป็นพระธาตุสององค์หลังจากนั้นได้ทราบทางหนังสือพิมพ์สีสัปดาห์ว่า อธิษฐานไม่กลายเป็นพระาธาตุแล้วก็มีที่ยังไม่กลายก็มีซึ่งอยู่ในภกเดียวกันจึงทําให้เกิดความอัศจรรย์ในคุณธรรมของท่านว่าท่านเป็นผู้บรรลุถึงแก่นธรรมโดยสบูรแล้วดังวงปฏิบัติเคยพาการคาดหมายท่านมานานแต่ท่านไม่ได้พูดออกหน้าออกตาเหมือนทางโลกปฏิบัติกันเพราะเป็นเรื่องของธรรมซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงจํารวมระวัง ให้อยู่ในความพอดีท่านได้พบดวงธรรมอันประเสรศิฐสามารถกำชัยชนะด้วยการบรรลุธรรมพิเศษปดเปื้องวาระหมดกิจหมดหน้าที่ไปแล้วโดยสมบูรณ์โอวาทครั้งสุดท้ายที่ลุงปู่แสดงกะยกปัวถากร่าชิดคนหนึ่งคือครูชายวงประชุมก่อนท่านมรณภาพสองวันดังบทด้เปรียนของครูชายดังนี้วันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดพาคม 2,512 ได้ตั้งใจไว้ว่าจะไปธุระที่จังหวัดสกลนครแต่มีเหตุบันดาลให้ใจอยากไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พรมจิรพุนโยเพราะในวันทิตย์ที่แล้วข้าพเจ้าพร้อมด้วยภรยาจะช่างทำฟันไปทำฟันให้ท่านใหม่เพราะท่านมีอาการปวดฟันเมื่อเกิดสังหอนในใจเช่นนี้จึงได้เปลี่ยนความตั้งใจใหม่ได้ชวนภรยาไปนมัสการท่านอีก ไปถึงบ้านบุมเงย็นเวลา12นาฬิกา30นาทีได้จอบรถจักรยานยนต์ไว้ที่ใต้ร่มมะม่วงแล้วจึงพา ก, กันขึ้นไปนมักการท่านบทกุติปรากฏว่าท่านได้นั่งรอคอยอยู่ก่อนแล้วเมื่อน้มักการกราบไหว้ท่านเสร็จแล้วท่านจึงได้พูดขึ้นว่าอาตมาได้ยิงเสียงเครื่องบินว่าแม่นเสียงรถของเจ้าว่าแล้ว ท่านกรุบขึ้นไปหยิบเอาก า, าน้ำเพื่อเปิดกองน้ำที่โองข้าพเจ้าลุกขึ้นติดตามท่านรับเอาก า, าน้ำจากท่านกองน้ำแทนท่านแล้วท่านหนึ่งไปยกุอี้มาเพื่อเหยียบขึ้นออกแก้วน้ำปิดกล่องบนเพดานกุฏินั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้รอช้ารีบไปหยิบเอกแก้วน้ำแทนท่านอีกเมื่อกองน้ำ ล, ล้างแก้วน้ำเสร็จแล้วจึงได้นำมาถวายท่าน เมื่อนํากาน้ําเข้าไปถวายท่านท่านได้บอกว่าอัตมาไปเอาน้ํามาให้พวกเจ้ากินเสร็จแล้วข้าพเจ้ามานั่งตรงต่อที่ท่านนั่งท่านจึงได้เทศนาให้ข้าพเจ้าฟังว่าคนเราเกิดมาทุกรูปทุกนามรูปสมขานเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าพระราชาหม า, หากษัตริย์พระยานามืน่นคนมั่งนี้ เศรษฐีและยาจกล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมีทางพอจะหลุดพ้นทุกข์ได้คือทำความเพียรเจริญภาวนาอย่าที่มัวเมาในรูปร่างสังขารของตนมันจุราชมันบอกไว้หน้าผู้ใดก่อนจะดับไปควรจะสร้างความดีเอาไว้ท่านเทศนาใจความสั้นๆดังนี้แล้วจึงได้สนทนากับท่านต่อไปอีกได้เรียนถามท่านว่า ช่างทําฟันมาแต่งฟันให้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรท่านจดตอบว่าหายเจ็บแล้วคือได้คุณดีก็พระเจ้าเรียนถามตอบอีกว่าท่านอาจารย์ฉันยาที่นำมาถวายแล้วเป็นอย่างไรคือยาที่มาถวายท่านนี้เอามาจากสุตผสมยาของคุณหมออวยรุมถวายท่านอาจารย์ใหญ่ขาวถ้ากองเพนท่านจะตอบว่ายานี้ได้คุณดี แต่ว่าเวลานี้มัจุราชมันบอกได้ว่ายาให้แล้วเมื่อท่านพูดเช่นนั้นข้าะเจ้ารู้สึกตกใจจึงได้รฐาฐนานิมนต์ท่านอยู่ต่อไปว่ากระผมข อ, อนิมนต์ให้หลวงปู่อยู่ไปก่อนถึงอย่างไรก็ขอให้เจดียด์ที่กำลังจะกอ่อสร้างนี้เสร็จเยือบร้อยจะก่อนท่านได้ตอบข้าพเจ้าว่าชายเจ้ามาโง่แท้เทศนาให้ฟังหยกหยกอย่างไม่เข้าใจ ได้เวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีท่านได้สั่งให้ข้าพเจ้ากลับเพราะจะค่ำแล้วข้าพเจ้าไม่รอช้าเพราะทราบดีว่าเมื่อท่านสั่งต้องปฏิบัติตามก่อนจะกลับก็กราบนมัสการท่านขณะที่กําลังกราบนมัสการหลาท่านอยู่นั้นท่านยังได้ย้ำอีกว่าให้ผากการเจริญภาวนาทําความเพียรซึ่งจะพ้นทุกจากนั้นท่านก็ไปทํากิจของท่าน ก็เดินจงกรมบนกุฏิของท่านตลอดทางที่กลับบ้านก็พระเจ้าคิดในใจถึงปรากฏการที่ท่านอาจารย์หลวงปู่เท่าของเรานี้ผิดแปลกไปกว่าครั้งก่นกอนมากเมื่อถึงบ้านก็ได้แต่เพียงปรึกษากับภระยาเท่านั้นตั้งใจว่าจําต้องนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับท่านอาจารย์รีและอาจารย์สุภาพดูแต่เรื่องอย่างไปไม่ถึงท่านอาจารย์ทั้งสอง เหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในตอนเช้ามืดวันที่13พฤษภาคม2512มีคนบ้านโงเย็นมาส่งข่าวว่าท่านอาจารย์ใหญ่พรมจิรปุญโยอาภาษณหนักข้าพเจ้าไม่ได้รอช้าได้เขียนใบลาให้ครูในโรงเรียนส่งไปทางอำเภอข้าพเจ้าจึงได้ชักชวนแพทย์ประจำตำบลพลสูงคือนายสุนทรราชหงษ์ ไปด้วยถึงบ้านดงเย็นก็รีบพากการกราบนมัส ก, การท่านปรากฏว่าตอนนั้นท่านมีอาการสงบนอนนิ่งเช่นกับคนนอนหลับธรรมดาอนามาัยตำบลดงเย็นและนายจุนทรนวาชหงเอาปรลอดวัดและให้น้ำเกลือตลอดเวลาอาการยังไม่ดีขึ้นเลยจนกระทั่งเวลาช3 3สามนาิกาสามสิบนาทีพข้าระเจ้า จึงได้รีบเดินทางเข้าไปยังอำเภอสว่างแดนดินเพื่อปรึกษานายแพทย์และขอเชิญไปตรวจอาการของท่านอาจารย์แต่ได้รับการทำปฏิเจธบอกว่าท่านเป็นโรคชราไม่มีทางแก้ไขข้าพเจ้าจึงได้ไปร้านขายยาและซื้อยาตามที่อนามัยตำบลจังจึงปรับบ้านเพื่อรับเอาภรยาไปด้วยถึงบ้านดงเย็นเวลาชั่วโมงนิ นณะไปถึงวัดประชิดธิ ธ, ธรรมบ้านดงเย็นปรากฏว่ามีพระเนนแม่ชีไดญาติโยมเต็มกุฏิแต่ใต้ถุนกุฏิข้าพเจ้าจึงรีบขึ้นไปบนกุฏิกราบนรรมักการท่านท่านเนนที่อยู่ข้างสายมือให้หลุกใก้ข้าพเจ้าเข้าไปถึงตัวท่านข้าพเจ้าได้จับอยู่ที่ประจรข้างซ้ายปรากฏว่าที่ประจร อ, อ่อนมากแทบไม่เดิดเลย โดยกล่าวกับท่านอาจารย์สอนที่เฝ้าอยู่ใกล้คิดว่าแย่แล้วครับอาจารย์พวกเราจะทำอย่างไรต่อไปพอพูดกัดคำท่านอาจารย์ก็ลืมตาขึ้นตอนนี้ก็พระเจ้าดีใจมากเพราะเข้าใจว่าท่านฟื้นขึ้นมาจึงได้เรียกท่านแต่ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบแล้วท่านก็หลับตาพร้อมกับระน ม, มือขึ้นถึงหน้าอก นามัส ก, การพระตานไตรที่ประจอของท่านก็หยุดเดินและคุณท่านหลวงปู่ที่เคารพสักการะยิ่งของข้าพเจ้าได้มรณภาพมด้วยอาการอันสงบเยือกเย็นด้วยเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันที่13พฤษภา ค, คม2512เหมือนประทีพดวงใหญ่ที่เคยส่องแสงสว่างผลทางแห่งชีวิตแก่ข้าพเจ้า และเหมือนร่มไม้ใหญ่ที่เคยให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ข้าพเจ้าบัดนี้ต้นไม้นั้นได้พังทลายไปจากข้าพเจ้าเสร็จแล้วจะหาที่ไหนได้อีกในชีวิตนี่แหละท่านทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจตตายด้วยกันผมได้รับประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ในชีวิตอีกครั้งสมกับคำที่ท่านหลวงปู่ที่ล่วงไปเตือนผมไม่กี่วัน เพื่อให้พวกเราที่ยังลุ่มหลงมัวเมาได้รู้และเตรียมตัวไว้เพื่อไม่ให้กลัวตายอย่างตัวท่านนับว่าท่านไม่หวั่นไหวแล้วเปรียบเหมือนกุญชรที่ฝึกดีแล้วยอมไั่ทันตอลูกศรที่มาจากทิศ ต, ต่างๆในเวลาเข้าสู่สงครามฉะนั้นดังนั้นโอวาทของท่านพรุ ก, กล่าวไว้ว่ามัจุราช ไม่เว้นมนุษย์จัติโลกทั้งหลายที่เกิดมาบนพื้นดินภพนี้มีการแตกดากไปทั้งสิน้นท่านหลวงปู่พรมจิรปุญโญท่านเป็นพระเทระที่มั่นคงหนักแน่นในพระธรรมวินัยประพริทธพรพมอาจารย์นเนกขมมะพิรัสมีวัดปฏิบัติอดีงามตามทางอริมักเป็นยมุดหลุดพ้นถึงแม้รีระร่างกายจะแตกดับ คุณงามความดีที่ท่านได้ทำไว้เป็นของไม่ตายเป็นประดบตกทอดไว้ให้แก่พวกเราชั่วกรลนานนับว่าเกิดมาไม่เสียทีเพราะท่านได้ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มเปี่ยมด้ว่ามไม่ประมาทถือว่าได้ทำประโยชน์ทั้งสามคือหนึ่งอาจตัทจริยาประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ตนสองยาตัทจริยา ประพฤติให้เป็นประโยชน์ยากสโปรกัตถจริยาประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกทั่วไปนับว่าเจริญรอยตามยุคลบาทขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงความเป็นสาวกในพระธรรมวินัยนี้สมบูรณ์ทุกประการ